บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทลายสืบต่อไปสังโยชนประเภทที่เกิดขึ้นรอบงามใจบุคคลค่อนข้างมากก็คือเรื่องกิเลสสายโลภะกับกิเลสสายโทสะในชั้นนี้พูดระดับความคิด ที่เกิดขึ้นปรุงจิตยามประสบกับอารมณ์ตือการมราคะได้กใจที่มีความกำหนัดรใครยยินดีในวัตถุที่ตนกำหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้ายินดีถึง น, นในการปฏิบัตินั้นเพื่สังเกตว่ารุนแรแต่เป็นอุบายวิธีที่จะลดกิเลสประเภทต่างๆนังกล่าวนั้น เพียงแต่ว่าบุคคลอาจจะเริ่มด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้เชนการยกเอาสัตว์สังขารขึ้นมาพิจารณาในแง่ของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจนปัญญาพิจารณาเห็นทำความจริงว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนใจที่เคยกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในสิ่งเหล่านั้นก็จะจางไปคลายไปบรรทาไป เพราะว่ายังไงถึงโน่นนั้นก็ต้องไปตามกติธรรมดาของเขาวพราแนวที่ทรงสอนในพิจารณาถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพรักเรียกว่าพิาณาปัจจวบัขณะนั้นที่จริงก็สามารถบรรเทาทั้งการมราคคทั้งโทสะพยาบาทลงไปได้เหมือนกันแต่เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นเหตุได้เกิดราคะก็ดีเป็นเหตุได้เกิดโทสะก็ดี เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยปรุงแต่งเป็นสมบัติของโลกเป็นสบัตจิตโลกเป็นสังขารที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศเช่นเดียวกับเราสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถติดตัวเราไปได้แต่ว่าแรงของกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทโลภหรือประเภทหลงก็ตามประเภทโลภประเภทโกรธประเภทหลงก็ตามมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิต ทีอิทธิพลต่อจิตสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ให้ลองสังเกตว่ากิเลสประเภทก ร, รมราคะเกิดขึ้นแล้วจิตเป็นยังไงบ้างจิตจะเร่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายถ้ามากไปก็จะคุมไม่ได้แต่จากการคุมความปรารถนาด้วยนัทราคะที่เกิดขึ้นภายในใจไม่ได้นั่นเอง แล้วก็อเกิดลักษณะอาการที่เราเรียกว่าอบายยมุขอบายที่จริงก็คือนรกในโลกมนุษย์เั่นๆ เ, เพราะว่าเ ว, าวลาจําแนกอบายพระเจ้าทรงจําแนกว่าเป็นสี่ประเภทคือนรกกาเนิดดิรัจฉานพวกเปรตแล้วก็พวกอสุรกายรวมแล้วก็เป็นอบายแป่ววัสถานที่หาความเจริญไม่ได้ พระบุกบายมุกทั้งหลายจะมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันเราจะเริ่มจากความเป็นนักเลงนักเงหญิงจะไปสู่นักเลงสุราเล่นเที่ยวกลางคืนจนถึงก็เล่นการพนนัเล่นต่างๆมันจะถูกลากไปเริ่มจากจากดุดใดก็ได้ซึ่งอย่างในบรรณวุฒกบายมุกทั้งหมด เป็นเรื่องของกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะคือคอยพาปราถนามาปรนปลือตัวเองไม่ได้ดูตามาตาเรืออะไรเลยแสดงว่าจิตใจมีความโลภความหลงมีความควาหนัดความหลงจะถึงปเปลิดเพลินอยู่จักเรื่องเหล่านั้นแม้บางครั้งบางคราวมีอันตรายมีภัยที่มีการเผยแพร่มีการโฆษณากัน เรื่องหน้าของกรรมราคาที่แรงและก็โมหะที่แรงบุคคลจะเป็นเหมือนกับแมลงเม้าเป็นข้าวของไฟหรือปลาตาบอดลอดข้าพงผางามุ่งไปโดยไม่คำหนึ่งถึงอะไรลักษณะจิตที่เป็นเช่นนี้เองที่พรเจ้าทรงสอนในรูปของศีนเอาไว้ มายความาถ้าจิตใจก็บุคคลมีความสํารวมระวังในเรื่องศีลได้แต่ระดับศีลนั้นเพื่เข้าใจว่าไม่จะกิเลสมันหมดไปกิเลสมันคงอยู่เพียงแต่ว่าเราควบคุมไม่ได้การมราคะไม่มากเกินไปจนถึงกลับไปมั่วสุมในทางเพศหรือว่าเป็นนักเลงจริง แต่ว่าสามารถจะมีครอบครัวมีคู่ครองโดยปกติสุขอยู่ได้นั้นเป็นศีลระดับระดับศีลเบี่ยงนศีลที่เราเรียกว่าศีลห้าการราคะก็คงมีโลภะก็คงมีโทสะก็คงมีความโลรงก็คงมีเพียงว่าตราบใดที่เรามีศีลอยู่มันจะคุมความรู้สึกเหล่านี้ไว้ได้ไม่ถึงก็ทาผิดศีล เมื่อไม่ผิดศีลก็ไม่ผิดธรรมเมื่อไม่ผิดศีลก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ในแง่ของธรรมะผมสังเกตว่าการกระทาอะไรก็ตามที่เพิ่มกิเลสขึ้นภายในใจคนการกระทำนั้นถือว่าเป็นบาปดัานที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแก่นักแสดงคนหนึ่งซึ่งก็มีความเข้าใจว่า การเป็นนักแสดงที่ก่อให้เกิดการหัวเราะการเพลิดเพลินสนุกสนานเป็นกระบวบาทที่มีการแสดงนั้นเป็นการให้ความสุขแก่ชาวโลกตนเองก็เชื่อว่าได้ทาบุญแต่นั้นเพราะการแสดงนั้นเองเมื่อตายไปแล้วทำให้ตนบังเกิดในสุคติบังเกิดในโลกสวรรค์เมื่อเธอมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พยายามปฏิเสธที่จะไม่ตอบ เขาก็พยายามอ้อนวอนพระเจ้ารับสั่งว่าตอบแล้วเธออย่าเสียใจนะท่านก็ยอมือไม่ไม่เจอยใจพระเจ้ารับสั่งโดยสรุปว่าการกระทำทั้งหมดเนี่ยซึ่งในสาจนสามารถสังเกตได้จากการดูละครละครดูหนังอะไรก็ตามจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทที่มีการแสดงอยู่ในขนาดนั้น ความโศกที่ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็เกิดขึ้นได้โดยบทบาทการความเศร้าโศกที่ปรากฏในการแสดงละครแราคาความกำเนิดและความกระหนัดในขณะนั้นไม่เกิดแต่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะดูการแสดงในขณะนั้นนั้นโลภะซึ่งยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นได้เพราะบทบาทการแสดงโทสะพยาบาทความขับแคลงความโศกบางครั้งบางคาในการแสดงแล้วเราก็ร้องไห้ไปด้วย ตามที่มีการแสดงกันนั่นแสดงว่าบทบาทที่มีการแสดงนั้นเป็นการเพิ่มกิเลสแล้วก็เพิ่มทุกข์ให้ผู้ดูก็อก่อนไม่มีกิเลสแรงขนาดนั้นไม่มีความทุกข์แรงขนาดนั้นแต่เพราะไปดูข้าวแลเกิดกิเลสเกิดตั้งโลภะโทสะราคะโมห oh ะอิสาริษยาอะไรต่างๆก็ตามบทบาทที่มีการแสดง จนบางครั้งบางคราวมีความเครื่อบเครื่อ ม, มีความรู้สึกอาจจะทึกทักเอาจนคล้ายๆว่าเราเป็นเขาเขาเป็นเราและรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกโศกเศร้ารู้สึกเสียใจยรู้สึกเป็นทุกข์ไปตามบทบาทของตัวละครที่เราไปยึดถือคล้ายๆจะเป็นเราเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้น พระพุทเจ้าทรงแสดงพระแทนที่จะช่วยบังเกิดในสวรรค์ที่ยึงมันตกนรกเพราะเป็นการเพิ่มกิเลสให้แก่คนอื่นนั่นคือความระเมียดละใหม่ในธรรมะที่เป็นภาคปฏิบัติแต่เมื่อเรามองกลับมาที่บวกบายมุขทั้งหลายมันจะมีการกระตุ้นกิเลสทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นนักเลงสุรานักเลงเล่นการประนันเที่ยวกลางคืนตื่นการนั่นเล่นนักเลงหญิงแต่และเรื่องเนี่ยเพื่อเพิ่มกิเลสทางนั้นฟันดันถือว่าเป็นทางเสื่อมมันเริ่มเสื่อมจากจิตที่ไปกําหนดจริงสถานที่ตรงนั้นด้วยความพอใจแล้วความเสื่อมก็เกิดขึ้นภายในใจได้ดีๆยิ่งลุกครีมากเท่าไหร่ปริมาณของกิเลสก็จะเพิ่มขึ้น คุณธรรมภายในใจที่จะคุ้มครองรักษาใจรักษาความเป็นคนดีเอาไว้มันที่งก็มีไม่พอใช้เราจึงพบอัตฉรกรรมต่างๆเกิดขึ้นจากแหล่งอวัยมุกเหล่านั้นนั่นแสดงว่ากิเลส ม, มีการเพิ่มจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอารมณ์สภาพแวดล้อมที่เร่งร้าวให้เกิดกิเลสเกิดความรุนแรง แต่ถึงจุหนึ่งเมื่อต่างคนตาคุมไม่ได้ความรุนแรงก็เกิดขึ้นนี้ถ้าเรามองกลับไปในกระ บ, บวนการของการศึกษาธรรมะอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้ว่าการก้งกิเลสนั้นท่านเรียกอกความเป็นนามธรรมมาดูภายในใจความกําหนัดโดยนักความใคร่ความโลภความพยาบาทความขัดเคืองความริษยาเป็นต้น นั่นที่จริงก็คืออาการกาคิดเด็มันก็สแสดงอาการออกมาทางการพูดทางการกระทาก็เป็นการพูดการทําไปด้วยอํานาจของเด็กเราเรียกว่าทําไม่ดีทําชั่วและสิ่งที่เราทํานั้นถ้าเรียกว่าเป็นบาปตามแต่ไม่เป็นบาปเพราะใจมันกุดมัวเศร้าหมองใจเราจะไม่สงบ กิเลสเหล่านี้ไม่ว่าข้อใดข้หนึ่งเกิดขึ้นนะคสังเกตว่าใจเราจะสูญเสียความสงบไปเช่นเราอาจจะนั่งอ่านหนังสือด้วยความพเพลิดเพลินอยู่แล้วใครมาทําให้เราไม่พอใจเนี่ยความพเพลิดเพลินมันจะหายไปจะเกิดความไม่พอใจขึ้นทดแทนจากการเป็นคนเรียบร้อยนั่งอ่านหนังสืออยู่อาจจะกลายเป็นคนก้าวร้าวคือไปด่าคนอื่นดูทุกตีคนอื่นก็แล้วแต่ว่ากิเลสมันจะเกิดขึ้นรุนแรงขนาดไหน ทีนี้เมือ่อมีการกระทําที่ต่อเรื่องมันก็กลายเป็นคนเจตมา ก, ก็กลายเป็นนักเลงจริงดื่มสุรามากก็เป็นนักเลงดื่มสุราดื่มการพนันมากก็เป็นนักเลงการพ น, น, นันเป็นต้นนันแสดงเลยตั้งอาการกิเลส ท, ที่ต่อเนื่องคนจะนั่นเป็นใจใดก็คือโคตรไม่ดีก็ไม่ดีจะมีความสุขความเจริญไหมก็ไม่มีความสุขไม่แต่วความเสื่อม มีแต่ความตกต่มปริมาณกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะในในการปฏิบัติพระเจ้าจึงทรงสอนให้ตั้งสติระลึลกรู้ดูจิตของเราพยายามกระทบกับอารมณ์ที่ผ่านมาต่างๆหูจมูลินกายใจกิเลสประเภทการมราคะเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดขึ้นก็รู้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้น แต่เราสังเกตว่าก่อนหน้านั้นมันไม่เกิดปุตติมันเกิดได้มันก็ดับได้แต่ในช่วงตรงนั้นอะไรเป็นกลัวกระตุ้นให้เกิดเราจะพบว่าอารมณ์ภายนอกเป็นตัวกระตุน้นแต่ถามอารมณ์เราไม่ตัวหลักจริงหรือเปล่าเราตอบไม่จริงนมันเกิดจากใจเราเฉยๆคือใจเราไปกําหนดหหนด้วยความกัหนัดความกัดนัดมันก็เกิด อย่านที่เคยยกตัวอย่างมาแค่กับอาหารบางอย่างเช่นอาหารประจำฉินน้ำมดูทางปากทางทางปากใต้ลู่ทางภาคอีสานแต่พูดถึงคนที่คุ้นเคยก็เสพติดเขาพูดถึงเขาก็ชอบอยากอยากรับประทาน แต่ถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยไม่พอใจไม่ปักใจไม่ไปกําหนดว่าสิ่งอร่อยเขาก็ไม่อยากกินไม่วางอยู่ตรงหน้าเราจะเห็นได้อย่างเด่นชัดเช่นอาหารเต็มโต๊ะนี่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่อยู่ที่อาหารนั้นอร่อยแต่ปัญหาว่าใครว่าอร่อยแล้วก็อรรถสมบุคุณผู้นั้นจะถามว่าความว่าอร่อยคําว่าอร่อยนั้นเป็นสากลไหมบอกว่าไม่เป็นสากล มันอยู่ที่ลางเนื้อชอบลงอางยาและแต่ใจใครจะคิดเอาใครจะกระโดดเราเพนาที่ท่านแสดงในแง่ของความจริงแต่แท้จริงว่าเอาก็จริงแล้วพวกนี้มันเป็นเพียงมารยาเพียงมารยาเป็นภาพดวงตาที่เกิดขึ้นโดยใจเราไปปรุงขึ้นปรุงขึ้นด้วยความกำหนัดรูปนั้นก็สวยสมหับเราเขียงนั้นก็ไปรอดสมหับเรากลิ่นนั้นก็หอมสมับเราสัมผัสนั้นก็น่าจะต้องสำหรับเรา อารมณ์นั้นก็น่าจะเหนียวนึกถึกนึกสหรับเรารู้สึกว่านึกแล้วมันสะดวกสบายมันเพลิดเพลิ น, นมีความชื่นชมยิน ด, ดีแต่ถ้าเราดูแล้วจะเห็นว่ากิเลสมันเกิดเพิ่มขึ้นถ้าใจเราไม่กําหนดอย่างนั้นกิเลสที่มีมันก็มีเท่าที่มีหรือมันจะไม่เพิ่มขึ้นความโกรธความมาคาดพยาบาท ด้ความขัดเครื่องอะไรก็ตามเกิดขึ้นจากใจที่เราไปกําหนดเป็นประการสาคัญเลยพึงว่าพึงสังเกตว่าการกําหนดเนี่ยมันก็เป็นสูตรคล้ายๆกับปฏิการแต่สิ่งที่เกิดสืบเนื่องกันไปฉะนั้ที่โรงสอนเรื่องความรักเกิดจากความรักความรักเกิดจากความโกรธความโกรธเกิดจากความรักความโกรธเกิดจากความโกรธ ก็แสดงว่าเมื่อกําหนดตรงนี้มันก่อให้เกิดการกําหนดตรงอื่นแล้วกําหนดขึ้นไปเรื่อยๆแต่แรกแต่ใจอย่างความรักที่เกิดขึ้นจากความรักเรารักนายก่อคนนั้นเป็นพ่อแม่นายก่อเราก็นับถือพ่อแม่กับนายก่อเพราะเรารักนายก่อคนนั้นเป็นน้องกับนายก่อเราก็รักน้องรักน้องนายก่อ เพนั้นป็นญาติเป็นญาติพี่น้องคนไหนก่อเราก็รักญาติพี่น้องคนไหนก่ออันนั้นเป็นทรัพย์สมบัติคนไหนก่อทิ้งวางไว้เราก็รักนายกอนะก็เก็บเอาไว้ให้ถ้าถามว่าตเราไม่รักอะไเป็น ไ, ไงคือเราเก็บแล้วก็เอาเองแต่ถ้าเป็นของคนที่เรารักเราเก็บไปให้เขาและคือพฤติกรรมทางจิตที่มันสืบเนื่องมาจากการกําหนดด้วยอำนาจความกําหนดัดด้วยหน้าความรัก มันไม่ได้เกิดเฉพาะจุดนั้นแต่มันจะเลื้อยไปเรื่อยๆตามความเชื่อมโยงของสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนกับไฟแต่ลุกไหม้เดี๋ยวแต่ใที่เขามีเชื้อก็ไปเขาทีื่อยๆไฟไหม้อเมริกาทั้งหลายวันแต่มาไม้ที่ออสเตรียอีกตั้งหลายวันทํำไมมเนไม้มอยู่ได้เพราะมันมีเชื้อให้ไหม้ัฒนาของกิเลก็เป็นเช่นนั้น เป็นอาการของใจที่ไฝ่ภ า, าถ้าเป็นกิเลสประเภทโลกประเภทก ร, รมราคะมันก็คว้าไปดรื่อยๆก็จะกำมัดด้วยความกำหนัดไปดรื่ๆและเราสังเกตว่าความทุกข์ความพิจด ก, กัวงวลความบวชใหญ่ก็จะพกดก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมามากหรือน้อยก็แล้วแต่ใจที่กำหนดเอาเพราะปัญหาใหญ่จึงเป็นปัญหาที่ใจ แนวปฏิบัติโดยสรุปที่ทรงแสดงไว้ในรูปของไตรสิกขาหรือศีนสมาธิปัญญาเป็นการแสดงโดยสรุปหมายความว่าไม่ต้องไปยุ่งในรายละเอียดอะ่ะพูดก็ยุ่งยากหรอเสียเวลาคุณทำอย่างเนี้ยแล้วผลทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเองและผลนั้นจะเป็นปัจจตตัง คือหมายความเราเห็นได้ด้วยใจกันเราเองเรารู้ว่าผลเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้ผลเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้จุดบวกพวกศีลที่เราสมาถานันตัวเห็นว่าใจมันจะไปะนี่ขึ้นไปเดืๆบางทีเจอสัตว์ที่ทําให้เราโกรธหรือทําให้เราอยากได้เราไม่ฆ่าจะถามทำไมไม่ฆ่าก็เมื่อก่อนเคยฆ่า ก็เพราะาเรามีศีลเราสมาทานศีลไว้ศีลมันกั้นจิตไว้ห้ามจิตไว้พอถ้าขืนข้ามมันก็เสียสัจปัญญาี่เราสมาทานศีลไว้มีเรื่องที่อาจจะต้องละเมิดทางประเภทนี้แต่ก็ไม่ละเมิดบางที่เมื่อก่อนอาจจะเคยละเมิดแต่เดือนนี้ไม่ละเมิดทําไมมันละเมิดเพราะใจมันบอกไว้ว่ามผิดศีล อาจจะถึงคราวพูดเท็จแต่คุมใจไว้ก็ไม่ยอมพูดเท็จทำไมไม่ยอมพูดเท็จก็เมื่อก่อนก็เคยพูดได้ก็ตอนนี้เราศีลคุมไว้เพราะบทศีลนี่คุมเกินไปนมันจะไม่ใช่ธรรมนะที่เป็นศีลอย่างเดียวแต่จะลดกิเลสได้ด้วยเยนี้เ็ยยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมได้เดยง่ายๆคล้ายๆกับความเย็นที่เกิดขึ้น มันนอกจากแสดงความเย็นส่วนตัวเขาแล้วเขาถามเาหน้าที่กรจัดความร้อนให้แกเราด้วยแ้าตราบใดที่เขาตูก็จะมีลักษณะเป็นรัศมีคือแผ่ไปรอบตัวความร้อนทุกทิศทางจะเกิดขึ้นไม่ได้ตราบเท่าที่ความเย็นยังมีอยู่นั่นคือแนวปฏิบัติที่ใช้แนวภาวนาไปหมายความเพิ่มความดีขึ้นไป ไม่พูดเรื่องอื่นนะเพิ่มความดีขึ้นไปไม่ต้องไปรู้ว่ากิเลสมันเกิดไม่เกิดมันยุ่งยากตั้งสติสัมปจญญากําหนดยากแล้วคนเราปกติมันเข้าข้างตัวเองด้วยมันก็ดูยากที่ท่านบอกว่าโทษคนอื่นเห็นได้ง่ายโทษตัวเนงเหได้ยากแล้วบาทีเราคิดผิดเราไม่ยอมเราคิดผิดเราพูดผิดเราก็ไม่ยอมเ ร, เราพูดผิ ด, ม, ม, ด, ผดมันก็ยุ่ง เราปริมาณของธรรมะเนี่ยเพิ่มขึ้นภายในจิตสัก่อนนั่นคือแนวศีลสมาธิปัญญาอย่างอื่นไม่พูดพูดเฉพาะศีลสมาธิปัญญาเพิ่มศีลขึ้นไปโดยจะพบว่าศีลเมื่อก็มีอยู่คุ้มครองใจเนี่ยเขาเรียกว่าใจที่สำรวมระวังเนี่เป็นศีลสำรวมระวังกันต่อเนื่องจนชำนิชำนาญ คล้ายคนขับรถจักรยานจนคล่องแคล่วจำนิจจำนาประกอบสบายๆไม่เกร็งไม่เพียรอะไรก็กลายเป็นอาการที่เรียกว่าปกติสํารวมระวังจนเป็นปกติคือติดเป็นลักษณะนิสัยที่เรียกว่าสร้างลักษณะนิสัยแค่คนนี้เป็นผู้ดีที่จริงมันฝึกปรือสำรวมระวังมาจนติดเป็นนิสัยแล้วก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเ่ยก็เป็นเขาอย่างนั้นน่ยนัแสดงว่าผ่านการฝึกปรืออบรมมามาก เขาจึงได้เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ในขณะนั้นเรสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแสดงอาการความเป็นผู้ดีออกมาหมายความวม่อย่างไรหมายความจริงๆเขาก็ป้องกันไม่ให้ความเป็นคนชั่วออกมาและตรากท่าที่อาการความเป็นผู้ดีปรากฏก็หมายความว่าเขาก็จัดความเป็นคนชั่วออกไปได้ แล้วก็เสริมสร้างพัฒนาการผังกายต่างวัตถะต่างใจของเขาให้คงความเป็นผู้ดีไว้แ ล, และรักษาให้ดำรงคงอยู่ต่อไปก็ทาหนราที่ของเองนั้นสี่อย่างทั้งป้องกันทั้งบำบัดทั้งบำรุงทั้งรักษาตอนมองเดียก็ยาที่เรรับประทานเข้าไปยาที่ถูกโรคหรือเหมาะสมโรคเดารับประทานเข้าไป เขาจะทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดเชื้อโรคที่มีอยู่แล้วเพิ่มภูนภูมิรันฐานโรคให้สูงขึ้นจนเปรกว่ากายก็เป็นปกติเดียวก็มีสุขภาพกายดีแต่พวพอีกทีหนึ่งก็เป็นอาการคือสบายกายสบายใจ คนจากกายที่มีความสบายมีสุขภาพภารนำ้ำใจดีมีภูมิร่างานโรคสูงเนี่ยนหะแกก็ทาหน้าที่สี่อย่างเหมือนกันป้องกันโรคบางอย่างได้ขจัดโรคบางอย่างได้และเพิ่มภูมรักษาสุขภาพให้ดีมา ก, กิ้งเข็นจนสามารถรักษาไว้เป็นอัตโนมัติก็กลายเป็นคนไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วย อย่างที่ท่านเล่าถึงพระปากุลเจร า, ราถ้าก็มีลักษณะอย่างนี้ไม่มีใครเคยเห็นท่านเจ็บป่วยจนพระพุทธเจ้าต้องยกย่องว่าเป็นยอดของภิสูตั้งหลายที่ไม่มีโรคภัยอะไรเลยนั้นแสดงว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นมนจากการฝึกปลือใ จ, ใจิตใจตัวเองเป็นอัตนโนมัติไปแล้ว และในขณะเดียวกันวิบัติกรรมในอดีตมันก็เข้าไม่ไม่เข้ามาให้ผลซึ่งผิดกับผู้เจ้าของเราผู้เจ้าของเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ๆ่ในสิบพลาดเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์เหมือนก็คลื่นโหมกระหน่าทับผมรุนแรงโหดร้ายได้เกิดแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็ผ่าน พ, นพ้นอุปสรรคอันตรายเหล่านั้นไปได้ จะทำให้ปรุงเข้มแข็งมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่ความรู้สึกศรัทธาของไระชาชนที่มีต่อพระเจ้าก็จะเพิ่มขึ้นวันนี้จึงจึจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่แนวภาวนาทั้งหลายเนี่ยที่เราสรุปรวมมีทีหนึ่งเป็นสมถะกับวิปัสสนาเรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภ า, าวนาเพราะเมื่อเรามองไปแนวของสมถะในสงบใจเนี่ย คือบางทีท่านพูดง่ายๆคิดง่ายๆอุปสมะแปลว่าสงบใจจากสิ่งที่เป็นขั้นสึกต่อความสงบหมายความอะไรก็ตามที่มันจะเพิ่มกิเลสเพิ่มราคะเพิ่มโลภะเพิ่มโกรสธสะคือเราก็สงบใจไม่นึกไม่ตรึกนะึกดูก็สักแต่ว่าดูรู้ว่าเป็นการแสดงเราจะมีความรู้สึกแต่เพียเออคนนั้นแสดงดีคนนั้นแสดงไม่ดี คนนั้นจะต้องใช้เวลาฝึกฝนอีกนานคนนี้จะปรับปรุงสักนิดก็จะดีขึ้นเราเห็นว่าปัญญามันเกิดขึ้นมามองในแง่ของความเป็นศิลป์เป็นศินละปะของการแสดงการไร้รับตรงนี้ใจจะไม่ไปติดที่คนแต่ใจจะไปอยู่ที่การแสดงความก้หนัาเพื่อเพลินหรือความกดแค้นถึงชัา ง, งจะไม่ประลบขน แต่ประรอบถงเหตุถึงผลที่ใช้ในกรณีนั้นๆจิตใจก็มวลก็จะมีความสงบเพิ่มขึ้นมีความเจือกเย็นเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าหักว่าเป็นผลของสมาธิจริงๆหมายความว่าเราจเจริญสมาธิจะได้สมาธิคือผลของสมาธิที่ถาวรเด่นชัดเนี่ยมันอยู่ในตอนที่เราอยู่ในสมาธิ เราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยอาการเหล่านั้นมันก็หมดไปแต่เราต้องการจะสัมผัสอกีกมันก็ต้องนั่งสมาธิกันอีกแต่อยงก็ตามคือร่องรอยคล้ายๆกับเราไปพักผ่อนอะไรที่ไหนยหยุดนานไว้ พ, พระสวดมนต์ทำความสงบใจอยู่นานนะฮะไปแยกกันมาจากหมู่จากคณะที่ร่วมกันสวดมนต์เนี่ย จะไม่ค่อยพอใจในการคุยการสนทนาการฟังคือยังติดความสงบอยู่ยังเพปรตเพลินอยู่กับสงบอาจจะมีปีติมีปราโมทย์มีความสงบเกิดขึ้นภายในใจได้ความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าอาการเหล่านี้ก็คืออาการของปัญญามันจะยกอะไรต่อเมื่ออะไรต่างๆ ท, ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยขึ้นมาพิจารณา เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์เป็นการให้ประสบการณ์แก่บุคคลเรานั้นให้มากยิ่งขึ้นซึ่งสมายความใจที่สงบมันอยู่กับตัวสกบคืออยู่กับตัวสมาธิถานกิเลสมีไ้มก็มีอ่ะเพียงแต่ว่ามันสงบไปมากไม่ต้องพูดถึงแสดงออกทางกายทางวาจารไม่แสดงออกแน่แล้ว พฤติ ก, กรรวจาเนี่ยคนสงบอยู่ภายในแต่จะมีปัญญาเพิ่มขึ้นรักษาความสงบของจิตไว้อาการความสงบนั้นเองก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมอีกครับแต่ที่ป้องกันความไม่สงบขจัดความไม่สงบรักษาความเพิ่มพูนความสงบแล้วก็รักษาความสงบเอาไว้ึงไิดใจอยู่กับความสงบ ใจนั่นทํางานหน้าที่อะไรก็ตามในขณะเดียวก็ทําได้เพียงอย่างเดียวฝืมว่าใจสงบอยู่กับสมาธิใจก็จะไม่เนียวนึกตุดนึกเรื่องหน้าของการมฉันเปนวอนหรือว่าการมราคะสรุปว่าการความยินดียินร้ายจะไม่มีเราจึงได้ยินคํากล่าวถึงท่านที่เข้าถึงผลสูงสุดที่ว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหว ท่านได้เคยฟังมงคลสูตรที่พระสวรในพิธีมงคลต่างๆในสีข้อสุดท้ายนะเป็นลักษณะอาการของจิตที่ตัดกระแสกิเลสได้หมายความเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์พระพุทธสโลกธรรมเมขิจิตเวลาถูกโลกธรรมถูกต้องนี่จะไม่หวั่นไหวอสศกังจะไม่โศกวิรชังเพราะใจไม่มีกิเลสใจไม่มีทเเขบางใจบางเกเสพ เป็นใจที่เข้าถึงผลสูงสุดแน่นอนเรายังไม่ถึงผลขนาดนั้นแต่ทำยังไงให้ใจมีธรรมะเป็นหลักเป็นเครื่องยึดครองเอาไว้มีข่าวคราวเรื่องราวต่างๆลักษณะาอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดความรักความจังก่อให้เกิดโทสะพยาบาทะอะไรต่างๆ ธรรมะที่เป็นฐานใจซึ่งเกิดขึ้นจากการเพิ่มพูนของศีลสมาธิปัญญาในระดับที่เราสามารถทําได้ก็จะช่วยคุ้มครองรักษาใจให้ใจมีความสะอาดขึ้นให้ใจมีความสงบเพิ่งขึ้นให้ใจมีความสวาม่างมีความรุ่งเรืองด้วยปัญญาต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป